สาธุชนบุตรบริสทันหลายและก็บรรดาเพื่อนที่วิสุทธสมเนีทั้งหลายวันนี้เราก็มาในการปฏิบัติเพื่อมรักผลนั้นต่อไปโดยการปฏิบัติจริงๆเราต้องหวังพระนิพพานใครเขยจะบ้าว่าบ้าวันหลังก็ช่างเอาเถอะ การฝึกวโนยิธิก็บรรดาท่านพุทธวิษัททําได้แล้วทุกคนแล้วก็ทุกคนจงอย่าคิดนะว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วหรือว่าเข้ามาอยู่แล้วจะทําดีก็ได้จะทําชั่วก็ได้สัญญาใดที่มีอยู่ก่อนบวชให้ระมัดระวังปฏิบัติให้เคร่งครัดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิง่งกรรมาฐานเมื่อก่อนบวชถือว่าได้แล้ว ถ้าบวชแล้วทำสภาพเสื่อมก็จะต้องอยู่ที่นี่ไม่ได้เคนเลวๆไรศจะไรบารมีเขาไม่คบกันสำหรับสังยอดสิบระการให้ประจำใจคิดไว้เสมอว่าเราจะละให้ได้หนึ่งสกายทิฐิใช้ปัญญาเบาๆอย่งางวสดาบัานในพระสกิธาคามี คิดว่าสภาพของร่างกายนี้มันจะต้องตายมันอยู่ไม่นานเท่าไหร่มันก็ต้องตายกันแน่ถ้าใช้กำลังสูงไปนิดท่ากกำลังของพระอนาคามีเห็นร่างกายนี้เต็มวยความสขปรกโสโครกมีสภาพไม่ต่างกับุงไทยที่ห่าจาระเดินไป เล่นั่นก็มองตามความจริงว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกถ้ามองตามกำลังใจของพระอาหารหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายนี่สักเปเพียงว่าธาตสี่มาประชุมกันมันเป็นธาตุที่อาศัยชั่วคราว ไม่ช้ามันก็เราก็แจากการถ้าคบันมากเพียงใดเราก็มีทุกขมากเพียงนั้นถ้าเราจิตใจไม่เข้าไปสนใจกับร่างกายใจเราก็มีความสุขไม่เรื่องของสกายยติติต้องคิดอย่างนี้ทุกวันนะแล้วก็บริการในสองวิจิจิชาความสงสัยในคนพระรา ต, ตรายต้องไม่มีเพาเรามีปัญญา ถ้าเราสงสัยเราจะมาบวชทำไมจะเข้ามาปฏิบัติฝึกสีนสมาธิปัญญาเพื่อประโยชน์อะไรถ้าสงสัยก็ไปเสพผลจากที่นี่ที่นี่ไม่ต้องการคนสงสัยโดยก่อนจะเข้ามาอยู่ให้สัญญากันแล้วว่าฝึกได้ดีแล้วเราจะไม่สงสัย การไม่สงสัยคือยอมรับเราถือต้องปฏิบัติตามทุกวิริยาบททุกสี่ขาบททุกถ้อยคําำในองค์สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าทรงสรรเสริญยกย่องว่าอย่างไหนดีทําอย่างนั้นและพระเจ้าว่าอย่างไหนไม่ดีเราจะไม่ทําอย่างนั้นนี่คนไม่สงสัยเขาต้องทําอย่างนี้ในลาศิลาปตาบรามาต พระวาสินห้าฉันมันเรีนสินสิบแลวบาสิกาจะเป็นสินห้าก็ได้สินแปก็ได้พระสินสองรอยิบเจ็ดครบรัพิสมาจารย์ต้องครบพ้นบริบูรณ์ไม่ใช่เราสักแต่ว่าเป็นพระเฉยๆก่อนบท ด, ดีเข้ามาพูดดีบวทแล้ว มีอารมณ์โยเยอย่างโน้นอย่างนี้นั่นก็ไปเหมาะสมนี่ก็ไม่ไหวหลบหน้าหลบหลังหลบการหลบงานสันดานคนแบบนี้เป็นสันดานของสัตว์นรกไมรับพูดการธรรมะพูดการตรงตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไม่ไหวจริงๆอย่าเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ ในสถานที่เขาจะมีให้ยังมีเยอะที่เคารพรองคนประเภทเลวๆนี่มีเยอะที่นี่ไม่ต้องการคนเลวเยวฉะนั้นคุณทำสามรายการคือส ก, กายทิฐิวิจิกิจชาศิลธะตาปรามาที่ต้องละต้องทําให้ได้และข้อต่อไปที่เราจะยังทําได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไร ค่อยทำไปอาจจะถึงก็สองก็ห้าสี่ด้วย ก, กับกายฉันทะค่อยค่อยใช้กายด้วยการนุสติกาสุภกรรมฐานเข้าไปตัดเห็นว่าร่างพอใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเต็นดีวความสุขปกโส โ, โครกแล้วก็ไม่มีการทรงตัวไม่มีอะไรมากแค่นำลายในปากอมได้บ้วนมาแต่ต้องไม่ได้ อุตรารปัสสาวะมันอยู่ในท้องหิ้วไปหิ้วมาได้เพราะมันเคลื่อนออกมาเราไม่อยากจะมองแค่นี้ก็พอแล้วนี่คิดไวท้ทุกๆวันว่าเราจะตัดให้ขาดเป็นความพอใจในร่างกายร่างกายเต็มด้วยความสขปรกโสโครกแล้วก็ปฏิคะอารมณ์ที่ไม่พอใจมันเป็นอารมณ์ของความเลว โดยความกระทบกระทั่งใดๆนิดหน่อยเกิดขึ้นก็ไม่ชอบใจอย่าน้อยไม่ชอบใจอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์โหงสัตว์ในอาบายวภูมิมันจะเข้าไปสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีทุกข์มีแต่ความเร้อนร้อนตายไปแล้วก็พบกับความเร้อนร้อนนั่นคืออวาัายภูมิเราไม่เอา ตับด้วยกําลังของผมมีหางสีแล้วก็ตับถ้าผมมีหางสีไม่พอใจก็ตัดด้วยกําลังของเขาสินสีหรือว่า ส, สิ้นแดงสี้เหลืองสีเขียวสีขาวนั่นได้ยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนที่ฟังได้มโนมยุทธิอยู่แล้วนี่มันเป็นของไม่แปลก ใช้กำลังเขามาโนยิธิใช้กำลังเขาปุกเพรนิวาสานุปติญาณถอยหลังใช่กับไปแต่ละชาติวันเราเคยตกมารกเพราะความโกรธมีกี่ครั้งดูตัวเราให้ดีเราตกมารกเพราะความโกรธมีเท่าไหร่โดยดูแลเสวยผลไปยังไง คนมนุพวกกําลังข้องความเมาในร่างกายหรือร่างกายที่มันเลวหรือว่าดีนี่เป็นยังไงร่างกายที่ตัดนี่ก็ตัดเบสกายกระจาหรือวตีกอสุภกรรมฐานเราใช้กําลังข้องความเป็นทิพย์ของจิตเข้าไปถอยหลังไปดูสภาพเดิมเราเกิดมากี่ชาติเป็นอะไรบ้างร่างกายมันทรงตัวไหม มันก็ไม่มีการทรงตัวจะพบกับความโสโปรกที่มันหลังแล้วมาทุกวันถอยหลังเข้าไปจําสภาพกระฉาดละชาติที่มันเร็เวๆมันก็เร็วทุกชาติไม่มีร่างกายชาติไหนไม่เป็นร่างกายดีเป็นร่างกายเร็วเท่านี้จิตมันก็จะถอยหลังแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ไปมองดูรูปราคะเกิดรูปชาต อรูปราคะเกิดอารมณ์ฌานถ้าตัดสกายญิติกับข้อพิภพถ้าตัดการมฉันทะกับบฏิคาไดแล้วก็เป็นพระอนาคามีเราจะถึงแล้วไม่ถึงเราก็พยายามแต่ค่อยคคิดค่อยค่อยนกคคอยพิจารณาหลังจากนั้นก็ททำได้มั่นคงจะลิมนะพระอนาคามีนิบรนดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นเทววั อารมณ์ใจจะต้องทรงสินแปดเป็นนิดคือไม่ต้องมีใครบังคับเราจิตมันไม่พอใจสินห้าเพราะนาคา ม, มีเป็นพรมจำแต่อนาคา ม, มีแปลว่าผู้ไม่ครองเรืองคือไม่มีคู่ครองถ้ามีคู่ครองจะแลกความรู้สึกในระหว่างเพศมันไม่มี ความโกรธจริงๆไม่มีในพระอนาคามีจิตเป็นสุขมีรมเมือเยน็นอันนี้สบายมากสุขนั้เกินต่อมาก็ตัด ก, กวาดผงลบใจได้อรเปราคาคือความลหลงไหลฝ่ฝันในรปูปฌานแล้วก็อรูปราคาคือความลหลงไหลไปฝันในอรปูปฌาน น, นี้ความจริงไม่หนักก็จะหลงทำไมระวังนิพพานรูปฌานแล้วรูปฌานส่งเราเราไปทึงผมเท่านั้นเราก็ดันดน้นอดทนใช้ปัญญาความจริงแค่อนาคำมีเขาก็ไปหลงแล้วท่านวางไว้ก็พูดไปตามท่านไม่พูดมากต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตน ไม่ต้องตัดมากคิดว่าคนกับสัตว์มีสภาพเหมือนกันคือมีท่าสีเหมือนกันเราคิดว่าสัตว์ตตมันต่าสามัญต่ำที่ไหนมันก็มีท่าสีมีความชุอกโปรธในร่างกายมีความต้องการเหมือนเราเราสิ บ, บางครั้งเลวกว่าสัตว์ความพอของจิตมันไม่มี สัตว์มันไม่เคยไปโกงใครไม่เคยไปโกงทรัพย์สินของใครไม่เคยไปแย่งความรักความรักก็ไปอิสราภาพสัตว์ไม่มีการลบโมโตสันเท่าเราพวกเราระยำ ม, มากกว่ามองดูจะไ้ถือตัวเราดีกว่าสัตว์คนก็ดีสัตว์ก็ดีมีท่าสีเหมือนกันร่างกายสุขกผลเหมือนกันสดโซเหมือนกันพังเหมือนกัน ก็เลยไม่มีอะไรที่เราจะต้องเยียดยามกันแค่นี้คิดเบาๆส่วนลกเอีย่านนี้ไม่จะเกิดไปเองบัญญาหลังจากนั้นก็ตัดอุทธทจะคืออารมณ์โผงซ่านตอนนี้ก็ไม่อยากแล้วใจตรงนิพพานแล้วท่านได้น า, นาคามีแล้วไม่มีอะไรหนัก วาหลางังๆจากนั้นก็ตัดอุปชาเกี่ยวกความโง่คนหลงในรูปในหลงในมนุษย์สโลกเทวโลกและพุทโลกก็ไม่มีอะไรขนาดนี้แล้วไม่ต้องอธิบายกันจึงกระทั่งกระทั ก, กระกำลังใจมีความสุขมีความสุขก็บคป่วยไข้ไม่สบายร่างกายป่วยไข้ไม่สบายใจก็มีความสุข ก็ทุกกระทา่งที่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจขนาดไหนใจก็ยังมีความสุขความแก่เข้ามาครอบงําขนาดไหนใจเราก็มีความสุขมันอย่ตายเมื่อไรใจก็ยังมีความสุขนี่คืออารมณ์พระอรหันทรังย่อสิบ ร, ระการ น, นี้ต้องใครคนษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยชน์สามราการต้องทำให้ได้ วันนี้การที่เราจะปฏิบัติได้ดีจริงๆจะรียบารมีสิทธิวันน hey, okay, exactly. <ereal> <ell> ี้ก็จะมาย้ำบารมีกันเอาเราเล่าไม่ก่อนคกินขึ้นแล้วย้ำบารมีกันว่าบารมีนี่มีสิทท่างจําให้ได้ถ้าสัยญอสิบรายการยังละไม่ได้หมดเรายังไม่ใช่คนดีจําให้ดีนะจะเป็นนั่งเมากันน่ะจะนึกว่าผมไม่รู้เนะ่ย ะนะเพราะนั่เมากําลังใจกันนะยังนึกว่าผมไม่รู้เพราะอะไรเพราะผมเคยเมามาก่อนกําลังใจที่ยังมีอุ ป, ปาทานยังมีนิวรณเข้ากินเยไม่ใช่กําลังใจดีหรอกแต่ว่าเราก็พอใจที่มันตัดเละลงไปได้เยอะแล้วก็ต้องพยายามตัดเละต่อไป เร็วที่เราจะมองก็คือสังโยชนิพพการเรายังไม่ได้อะไรบ้างภาระยังไม่ได้หมดนั่นยังไม่ดีละได้หมดแล้วถ้ากําลังใจยังไม่เข้าถึงนิพพานกายยังมีอยู่ยังไม่ดีเพราะตัวไม่ดีเรายังอยู่กับตัวไม่ดีคืออยู่กับร่างกายที่มันไม่ดีก็ยังดีไม่พอ ต้องเข้าถึงความดับที่ไม่มีเชื้อดับทั้งยิเล็ดดับทั้งขันอารมณ์เมือร่างกายจบประ ม, มาณไม่มีสำหรับเรานั่นดีมากคือไปพระนิพพานต่อไปสิ่งที่จะส่งเสริมความดีทำให้สยโยชสิบริการครบถ้วน ทุกคนต้องทบทวนให้ดีนะทุกวันจะได้สง่งต้องส่งอารมณ์แบบนี้ไม่อย่างงั้นคิดดีคิดว่าทำดีทำดีแนตะ่มันยังไม่ดีหรอกก็คือได้การบารมีสิบอย่าลืมว่าใครเขาถามว่าบารมีแปลว่าอย่างไงก็ต้องตอบเขาว่าที่นี่บารมีแปลว่ากำลังใจเต็ม เขาบอว่าตามภาษาตําราบอกแค่เต็มนิ่งใจเพราะระชั่งไปเลยตำ ร, รานั่นมันตําราวัดอื่นไม่ใช่ตาราวัดท่าสงปัจจุบันวัดท่าสงก่อนเขาย้ยเขียนตาราแบบไหนช่างเขาปัจจุบันในเขียนตาราว่าบา ร, รมีแปลว่ากําลังใจเต็มกําลังใจเต็มในการแห่งกําลังใจเต็มในการรักษาสิน กำลังใจเต็มในสภาวะแห่งการผีบวดขึ้นในขม่มกำลังใจเต็มพร้อมในการใช้ปัญญาเข้าตัดกิเลสตัดอุปาทานกำลังใจเต็มพร้อมที่มีวิทยาอุสหาหความเาพเทียนต่อสู้ประศัตรทุกด้านงานการทุกอย่างไม่ท้อถอยเห็นงานเป็นกรรมฐ า, าน กำลังใจเตรียมด้วยความอดทนทคือขันติอย่าป่อแปะนะที่นี่ก็เป็นทางการคนป่อแปะพ่อแปะไปที่อื่นถ้าบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปที่อื่นท่าเลยกำลังใจเตรียมในการรักษาสัจจะอารมณ์ใจที่จริงก็ำลังใจเตรียมในการนิฐานตั้งใจว่าจะเพราะว่าพุทธนิพนธ์ กำลังใจเตรียมเงื่นกั้นด้การเมตตาไอ้ตัวเมตตาเนี่ยสำคัญเมตตาหน้ามันต้องสดชื่นนะไอ้หน้าตรงเป็นตูดหมาหน้าโบดอย่างนี้เขาไม่มีเมตตาไม่เรียกเมตตาให้คนอื่นเขาเห็นหน้าแล้วมีความยิ้มมียันความชื่นใจไม่เห็นหน้าแล้วรู้สึกว่ามาไอ้ตัวจังไรเนี่ยหน้าโบดมันก็น่าน้องหน้าตูดหมา อย่างนี้มัใช่ไม่ได้แล้วก็กำลังใจเตรีมยมโนเบลเขาเบลขาความเยาวชนเฉลิมมาเฉลิมเฉยิมธรรมดาได้เฉลิมท้งสองอย่างเพื่อเฉยิมธรรมดากับเฉยให้ขันห้าถ้ารวมความว่าสิบรายการนี้ก็ต้องครบนะทุกวันต้องคิดหนึ่งการการให้สองศีลในสายกายวาจาและใจให้เรียบร้อย สามเนฆะมะกาลังปีวรเป็นขั้นตน้นแล้วสี่ปัญญาพิจนาเห็นว่าทุกคนฝัดทุกคนจับทุกพุเป็นไม่เป็นเรื่องทั้งหม ด, ดวิิยาบากเบือวิยะมีความเพียนบากบันต่อสู้อุปสรรคขันติมีความอดทนปรบริการด้วยประาการท่องปวงทัพยจะ ท, ทรงไว้สึ่งความจริง จริงใจไม่ถอยหลังนิ่ฐานตั้งใจไว้ตรงแน่อุมเบกเมตตามีควา ม, ามวาเมตตาปราณีจิตใจชื่นบานใจชื่นบานกายมันดีหน้ามันชื่นด้วยไม่ใช่ทำหน้าตูมมาตูดหมาเออมเบกขาวางเฉยสองขั้นมียะว่ามี่จะว่าแต่ละขั้นไปเลยเนะจำไม่เลวสิบราการนี้ต้องครบพ้วนกำลังใจทุกวินาที สิบรายการนี้สร้างให้เต็มขึ้นมาสิบรายการก่อนคือสกายทติถิอิจิกิชาสี ร, ระมาตป า, ารามากกามฉันทะเบรคะรูปราคะอรูปราคะมันะอุตจะอวิชัยสิบรายการต้นตัดให้พี่หน้าไปแล้วก็สิบรายการหลัง ได้กระทันศีลเมตตามะปัญญาวิรยาขันติสัจจะดิฐานเมตาเมขาทาให้ส่งตัวให้เต็มที่เป็นแม้ว่าขับใสไล่ส่งไปสิท์และดึงขมาอสิบอันนี้ก็มีเวลาเหลือสิบหกนาทีจะอธิบายตามขั้นสำหรับธานบรมีทายังไงบาถึงยเต็ม การทำทานให้เต็มนี่คือขอพูดย่อๆคือว่าข้าเศษนี้ต่อไปก็ยอยวนมาวนไปมในเวลาเที่ยงวันไม่ต้องเปิดอะไรกับวนก็อยู่แค่นี้สังโยสิบบ ร, รมีสิบอุภุมบริกาสดวนก็อยู่แค่นี้ไม่ต้องอะไรมาพูดกันมากแต่แค่นี้ทำไม่ได้ที่ไปฟังอย่างอื่นทำมีเวลาสำหรับทาราบ ร, รมี ทำกำลังใจทานเป็นทานนี่เป็นปัจจัยตัดโลภความโลภเป็นก้าวที่หนึ่งที่เราจะเข้ า, น, านิพพานและทานนี่เป็นการสร้างความรักกำลังใจเขาบอกคให้เกิดความรักประสิ่งิ์กันแลยกันจะเป็นปัจจัยเกิดความสุขถ้าเราไปที่ไหนมีคนรักมากที่นั่นเราก็มีความสุข ถ้าไปที่ไหนมีคนเกลียดมากที่นั่นแล้วก็มีความทุกข์ต้องระวงังไทยแต่นี้ทำยังไงทานทจริงๆคบเพื่อนบริบูรณ์เอาเพื่อนไปฟังง่ายๆไม่เดี๋ยวจะสงสัยว่าทานไปเหตุใดเกิดความารักยังไงด้เหตุผลสันส้นๆเอาตัวเราไปสำกัญสมมติเราหิวข้าวมันจะตาย ถ้ามีใครเขาเอาข้าวไปกินสักอย่างถึงแม้ว่ากับข้าวมันจะไม่ดีข้าวมันจะเย็นอาจจะกลายเป็นข้าวตังก็ได้แต่พอกินประทางชีวิตไปได้อันอย่างนี้เราจะมีความรักในคนให้หรือว่าเราจะเกลียดในบุคคลผู้ให้ถ้ารู้สึกเกลียดในบุคคลผู้ให้ก็แสดงว่า เราก็ควรจะไปอโยู่โรงพยาบาลบ้าได้แล้วแต่คนดีนะไม่มีใครผู้เปืดคนเูวให้มีจะกรักคนเราให้แต่ถ้าให้อย่างไม่มีพันธะถ้าให้อย่างมีพันธะเราอาจจะเปรียบผู้ให้ก็ได้กินอิ่มเดียวบังคับให้เปิค่าควายให้เปิค่างวเห้เไปก่ า, าสัตว์เปดด่าคนน้นไปตีคนนี้ไปขโมยคนนั้น ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะรักผู้ให้ให้แล้วก็แนะนำเราให้มีความทุกข์คือทำลายความดีสร้างความเดือดร้อนไม่ควรรักอันนี้ถ้าก็ให้ไดมีม่มีพันธะใดให้เพื่อกินใพ้ อ, อยังชีวิตให้ทรงอยู่เราก็ต้องรักที่พูดดีไม่ได้บงังคับให้รักหนะ เพราะว่าคธนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาต้องรักแต่คนไม่รักคืออัคตันยูไม่รู้คุณคนมันก็มีหาไม่ยากเวลานี้มีเด่นคนที่เลวกว่าสัตว์เนี่ยขอพูดไ ง, ไง่ายๆว่าคนที่เลวกว่าสุ น, นัขเนี่หาไม่ยากมีเราพูดก็เราในสานักของเรา คนอื่นฟังก็ฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็จงอย่าฟังไม่ได้บังคับคนฟังไอคนที่เล็วกว่าสุนัขได้เคยผมเนี่ยเคยสัมผัสมามากให้ความสุขทุกอย่างให้ความดีทุกอย่างเกือ้อกูลทุกอย่างแต่ว่าเจาคนพวกนี้ก็เต็มด้วยความอาักตันอยู่ไม่รู้คน แถมไม่ใช่อากาศเป็ไม่รู้คุณเสมันทําลลยสเสดวยด้วยการทัองปวงหาทางทุกอย่างกปลง ล, งลง้างทวีนดัดตัวคนเดียวไม่พอยังยกพวกมาไปจ้างพวกก็ไจ้างนังซื้อนะหาดา่าถ้าก็ไม่มีหาทางฟ้องล้วคนเยอะเมื่อไอคนที่มันเลวๆกับสุนัขผู้ภาษาไทยดีไหม สุนักนี่เ่าแปลว่าเล็กงามแต่ว่าสัตว์ที่มีเล็กงามเต่ว่ภาษาไทยโคตหมาว่าคนที่เลวกว่าหมานี่พอหาได้แล้วก็หาไม่ยากน่วยมีถมไปฉะนั้นการให้ท า, านก็มบรรดาพวกเราเราทั้งหลายจงอย่าหวังผลตอบแทน วยการให้ทานเพื่อหวังให้บรารมีเต็มด้วยการตัดโลระเขาทำยังไงเป็นวิธีทำง่ายถ้าเราให้แต่ทานเฉยๆเนี่ยมันไม่มีผลผลมันน้อยจึงต้องให้ด้วยกำลังใจด้วยกำลังใจที่เราจะพึงให้ก็คือว่าเอาทำอย่างนี้ ปกติพวกเราให้นั่งพิจารณาหาความเป็นจริงว่าทานเนี่ยเป็นบัใจจัยให้บ่เกิดความรักหรือเป็นบ่จเรียกว่าสร้างศัตรูถ้าทานเป็นบัตรปันบัตใจให้บ่เกิดยิงความรักเราก็พยายามให้ทานวิธีให้ทานนี่มีกําลังตัดความโลภจริงๆก็คือใช้จาราเกติกรมฐานประจําใจ จากานุสติกรรมฐานนั้นได้แก่อารมณ์คิดจะให้คิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนรักสุขเรียดทุกแต่ว่าบางทีไอ้ความทุกข์มันเข้ามาบีบคั้นทั้งๆไม่ต้องการมันด้วยความจำเป็นไม่ไดคิดว่าถ้าเขามีทุกเราจะสงเคราะห์ คิดว่ายังงี้เสมอว่าถ้าเราไม่เกินวิสยัยในการให้ทานนวต้องให้พอเหมาะนะอย่าให้เกินพอดีแล้วก็ให้ดูคนไม่ใช่ใครก็ให้ดะต้องดูพระพุทธเจ้าที่เป็นทรงจัดในเรื่องของอะาในในเรื่องของวาวิสาขาว่าเขาให้เราจริงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้ นั่นก็หมายความถ้าเราให้เขาแล้วเขาก็ให้เราเราให้ความเมตตาในเขาเราสงเคราะห์ในเขาเขาให้ความรักในเราเราให้ถ้าเราให้ความเมตตาสงเคราะห์เขาแล้วเขาไม่เขาไม่ให้ความรักเขากลิดเป็นศัตรูเลิกให้ไปเลยไม่ต้องให้ใครก็าจะสอนว่ายังไงอีกก็เชิญจะไปรับฟังใครก็ได้แต่ผมขอแ น, นะนําว่าไม่ควรให้ต่อไปเพราะคนประเภท น, นี้นี่ ผมลองมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในเวลานี่ยังตั้งตรงไม่ด้พอใจว่าเอาเสวนาจะพาลานังปัิตา น, นันจะเสวนาปูชาจะปูเชนียานังเอตัมมังครวตมังการครบคนชั่วเป็นอภะมงคลการไม่คบคนชั่วอย่างหนึง่งการครบแต่คนดีอย่างหนึง่ง การบูชาโดยบุคคลที่คนบูชาย่านอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอุดมมงคลเฉะนั้นผมจึงขอตัดไปเลยเพิ่งทำมาทักยี่สิบปีกว่าคนทุกประเภทผมครบสงเคราะ์ผมหมดเงินหมดทองไปนับไม่ได้ญาติโยมทำบุญมาก็สงเคราะห์ด้วยการาทุ่มวงบางทีเราไม่มีเราก็เก็บจะไม่มีกินให้เขา แต่ว่าคนที่เลก็กวสุ น, นักขึ้นเลก็กว่าหมานี่ไม่เคยมองเลยในเมื่อเรามีทุกข์เพราะว่าเขามีสันดานชั่วเป็นฐานดางนั้นเราก็ควรจะเชื่อองค์สมเด็จพระจิตติมารว่าการให้นี่ต้องเลือกถ้าจะรับหรือมาบังคับในการขอไม่มีความเคารพในการขอเราจะยังไม่ให ทันใจเฉยๆจงอย่าไปเมตตาคนชั่วเมตตาจิตมีได้แต่ว่าเราจะให้คนชั่วไม่เพื่อเขายัางชั่วหนึ่งอยู่เราไม่ให้แต่เพิ่ให้เราจะมีแต่ความเดือดร้อน <c oughs> อันนี้มาพูดกันถึงทานบารมีการให้ทานนี้ก็ประกอบด้วยความดีหลายประการ <c oughs> เวลาสองนาทีมันจะพอหรือเปล่าวันนี้ก็ยะเสียงมันเป็น เอ้ปกเสติโเรียบฟังข้าล่ชัดมั้งชัดมั้งการที่เราจะให้ทานได้ก็คือหนึ่งอันดับแรกเราต้องมีจิตเมตตาก็ต้องมีเมตตาบา ร, รมีเข้ามาผสมสองเราก็ต้องมีปัญญาเข้าไปเจนหนาว่าการให้ทานเนี่ยมันดีจะเป็นปัจจัยเกิดความรักใช่ไหม ในการให้ทานก็ต้องมีวิริยะอดทนว่าของทรัพย์สมบัติที่เรหามาได้ยากเอาตัดใจให้มันไปมีความเพียรตัดกําลังใจตัดวิจาิยะจะให้ทานได้ต้องมีความคับขัคืออดทนต่ออารมณ์ที่มันจะหวงแหนการจะให้ทานได้ก็ต้องมีสาจาัจจะตั้งใจว่าจะให้เราให้จริงการให้ทานก็ต้องมีอธิษฐาน อารมณ์ที่ส่งไว้แต่กําลังความดีว่าฉันจะให้ทานเพื่อบ้านใจวินานมีคนที่ให้ทานก็เป็นคนมีสินสินคือความดีสินที่มีได้เพราะเมตตาเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องถ้าเราไม่มีสินไม่คนใจร้ายโหดร้ายเป็นคนชอบรักขโมยมันให้ไม่ได้หรอก มีคนย่อยทานอยู่จริงอย่างน้อยต้องมีสิ่งข้อหนึ่งคืออารมณ์ตาแล้วก็มีสิ่งข้อสองคือละจากอธินาธรรมใจจริงย่อยทานได้การย่อยทานได้ต้องมีเมฆคัมมะคือเวลาที่เราย่อยทานอารมณ์รักในระหว่างเพศมันก็ไม่มีอารมณ์โกรธก็ไม่มีถ้ารักเราโกรธเราให้ทานไม่ได้ อันนี้การให้ทางจริงๆเราต้องมีเบิขาเอาไว้แล้วเราก็เฉยไม่เสด็จในมันมีลรรดาท่านพุทธบริสัททุกท่านให้ทานอย่างเดียวบารมีทั้งสิบระการครบถ้วนเป็นรู้ว่าถ้าบวนความที่เราจะสร้างความดีนะถ้าสร้างเป็นการสร้างบารมีมัสร้างทีเดียวพร้อมกันอะไความมีทั้งสิบรายการนี้ต้องทําให้ได้ทุกวันประจําใจอยู่นะพระในทุกอง อย่าไปหลงลกลกมีห่หลอกๆมันเปลามหมดสลายนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูดอยาขอยุติวัดเดียวทางนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี